Thank mm -hmm. you. การสวดมนต์เช้าเย็นถ้าเราวางใจถูกนะมันก็เป็นการทำกรรมฐานอย่างหนึ่งนะกรรมฐานเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่นั่งนิ่งๆหงลับตาหรือว่าลืมตาสร้างจังหวะเดินจงกรมถ้าเราสวดมนต์นะด้วยความตั้งใจเนี่ยมันก็เป็นการปฏิบัติกรรมฐาน เรียกว่าเจริญอนุสนะติสกรนะมาฐานนิพทธศาสนานี้มี40วิธี10วิธีเนี่ยเป็นเรื่องของการเจริญอนุสติอนุสติก็คือการระลึกนึกถึงสิ่งที่ดีงามหรือว่าระลึกนึกถึงธรรมะเมื่อเราสนมันแล้วเราน้อมใจร ะ, ะลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เรียกว่าเจริญพุทธานุสตินะธ ร, รมานุสติสังขานุสติอันนี้มันก็เกิด มงคลกับตัวนะเพราะว่ามันช่วยทำให้เราเกิดศรัทธาแน่นแฟ้นในพระรตนาตรัยศรัทธาเป็นสิ่งสำคัญในพุทธศาสนานะถึงแม้ว่าพุทธศาสนาเนี่ยนะจะให้ความสาคัญกับปัญญานะว่าคนเราเนี่ยจะหลุดพ้นได้ก็เพราะมีปัญญาเห็นแจ้งในธรรมะแต่ว่าศรัทธาก็เป็นสิ่งสำคัญนะอย่างที่เรา อาจจะสังเกตเวลาเราสวดบทที่ชื่อว่าอริยธนคถาหรือว่าอริยทรัพย์เนี่ยสี่ประการก็มีข้อหนึงคือศรัท ธ, ธาศรัท ธ, ธาคือศรัท ธ, ธานในสิ่งดีงามคือพระรรมนิตรีศีลความเลื่อมใสและความเห็นธรรมศรัท ธ, ธาศีลความเลื่อมใสหนที่นี่คือภาษาทะมันก็คู่กับศรัท ธ, ธานะที่เราก็เรียกติดตกันว่าศรัท ธ, ธาภาษาทะ ศีนี้ก็เป็นเรื่องกายวาจาความเห็นธรรมอันนี้ก็คือปัญญาแต่ว่าศีลแล้วก็การที่เราจะมีปัญญาเห็นธรรมเราต้องอาศัยศรัทธาเนี่ยเป็นจุดจะเรียกว่าเริ่มต้นก็ได้เดีย๋ยวผู้เรามาวัดเนี่ยนะมาภาวนาก็พรมีศรัทธาหรือว่าบางคนก็มาถือศีลแปดศีน 8, สิบ น, นะก็พรมีศรัทธานะศรัทธาว่าการปฏิบัติเช่นนี้นะจะ ช่วยทำให้ชีวิตมีความสุขสงบเย็นอันเริญงอกงามที่เนนหรือว่าศิลจารณีมาบวชนะหรือว่าพ่อแม่มาขอให้บวชก็เพราะมีศรัทธาคือความเชื่อมัน่นศรัทธานที่แปลความเชื่อมั่นความเชื่อมันมอม่นว่าการมาบวชการมาปฏิบัติการมาถือศีล น, นะจะช่วย พัฒนาตนขัดเกลาวจิตใจแล้วก็พฤติกรรมความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นคนเราเนี่ยถ้าหากว่าศรัทธาในพระรัตนตรยอย่างถูกต้องนี่ชีวิตก็จะมีความสุขความเจริญนะเพราะว่าจะเป็นสิ่งกระตุ้นทำให้เกิดความเพียรในการปฏิบัติแต่ว่าศรัทธาที่ไม่ถูกต้องก็มีนะแม้จะเป็นศรัทธาในพระรัตนาตรายก็ตามเช่นศรัทธา เพราะเชื่อว่าท่านแต่โดนบันดาล น, นะความสุขความเจริญหรือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์นะมีมีฤทธิ์นะที่จะทำให้เราร่ำรวยได้หลายคนเนี่ยไปวัดนะไปกราบพระไปปิดทองพระพุทธรูปนะก็เพราะเชื่อในอำนาจนะโดนบันดาลที่ว่าซึ่งมันก็ดีนะถ้าหากว่า เป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างกำลังใจให้ทำความเพียรให้ทำมาหากินนะด้วยความขยันนะแต่ถ้าหากว่าศรัทธาแบบคิดแต่จะบิงวอนร้องขอนะเพราะเชื่อในสิ่งศักดิ์นะนนสิทธิ์อานาจศักดิ์สิทธิ์แบบนี้มันไม่ทำให้เกิดความสุขความเจริญได้นะเพราะว่ามันทำให้กลายเป็นคนงมง่ายหรือว่างอมืองอเท้า ศรัทธาที่ถูกต้องเนี่ยมันต้องนําไปสู่ความเพียรในการปฏิบัติศรัทธาแล้วก็ตามที่มันทําให้เกิดความเกียดคราญ ง, งอมืองอเท้าเนี่ยแม้จะเป็นศรัทธาในพระตัตนตรเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นศรัทธาที่ผิดนะคือว่าทําผิดอันนี้เรียกว่าทําผิดในสิ่งที่ถูกนะทำผิดในสิ่งที่ถูกก็คือว่าศรัทธาในพระรัตนตรัยดีแต่ว่าศรัทธาแบบนี้มันไปส่งเสริมกิเลส ศรัทธาที่ส่งเสริมกิเลสมันมีเยอะนะแต่แท้ศรัทธาที่ดีเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้เราเกิดความเพียรในการที่จะลดละเลิกหรือว่ า, าขัดเกลากิเลสให้มันหมดไปจากใจศรัทธาที่ทำให้เราเกิดความอบอุ่นใจเนี่ยอันนี้ก็มีประโยชน์นะเวลาเราจะเช่นเราไม่เคยมาอยู่ป่านะบางทีเราก็ ไปกลางกดในป่ากลางเต้นในป่ากลัวก็กลัวนะกลัวสิงสาราสัตว์งูเหี้ยเขี้ยวขอหรือแม่แต่กลัวผีบางคนก็กลัวคนมาทำร้ายนะเพราะว่าติดนิสัยจากกรุงเทพนะกลางค่ากลางคืนนี่ไม่ค่อยปลอดภัยแต่แม้จะมีความกลัวนะครั้นเราได้สวดมน์นะสวดมน์ก็ทำให้เกิดความมั่นใจนะหรือเกิดความอบอุ่นใจว่า จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาคุ้มครองเรานะทําให้เราสามารถจะทำความเพียรได้อย่างนี้ก็เรียกว่าดีนะก็คือใช้ศรัทธาเนี่ยมากระตุ้นทําให้เราเกิดความอบอุ่นใจเกิดความกล้าๆภาคเพียรในการปฏิบัติอันนี้เรียกว่ายึดเหนี่ยวนะในสิ่งที่ถูกต้องยึดเหนี่ยวพระตนะในสิ่งที่ถูกต้องคนเราเนี่ยต้องมีที่ยึดเหนี่ยวนะและถ้าเราเลือกเอาพระตนะไตรเป็นที่ยึดเหนี่ยวเนี่ยก็ถือว่าดีแต่ว่ามันยังไม่ดีพร้อมนะ มันขึ้นถึงว่ายึดเหนี่ยวแบบไหนนะมันมียึดเหนี่ยวสองแบบนะแม่จะเป็นการยึดเหนี่ยวพระรัตนตรัยหรือมีพระรัตนตรัยเป็ที่ยึดเหนี่ยวก็ตามอย่างแรกก็คือว่ายึดแล้วเนี่ยเราสูงขึ้นนะเรายึดเหนี่ยวพระรัตนตรัยแล้วเราสูงขึ้นนะใกล้ชิดกับพระรัตนตรัยมากขึ้นนะอีกวิธีหนึ่งคือยึดเหนี่ยวแล้วพระรัตนตรัยนี่ต่ำลงนะคือเป็นการดึงพระรัตนตรัยให้เข้ามาหาตัวเรา ก็คือเข้ามาสนองกิเลสนะมาสนองกิเลสก็เลยนับถือพระพุทธรูปมันก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุทธรูปวัดนั้นวัดนี้นะเขาว่ า, าทําให้รวยเร็วนะก็แผ่กันไปหลายคนไปพม่าเนี่ยก็ไปหาพระพุทธรูปทันใจเนะีเพราะว่าเชื่อว่าไปสวดแล้วหรือว่าไปกราบสักการะจะทําให้ได้ พบความสำเร็จนะความสมหวังทันใจไอ้แบบนี้นี่บางทีมันเป็นการยึดเหนี่ยวพระรัตนตรัยที่ทำให้พระรัตนตรัยต่ำลงนะคือมองว่าพระรัตนตรัยเป็นแค่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะอำนวยนะความสุขท้งโลกโลกได้ก็กลายเป็นเหมือนกับเทวรูปอย่างหนึ่งนะที่ผู้คนเขาในประเทศอินเดียเขาก็าไป ไปเทวรูป้วก็ไปอ้อนวอนดนบรรดาลนะบางทีก็มีเครื่องเส้นเครื่องสังเวยด้ซ้ำนะไม่ใช่ฆ่าสัตว์อย่างเดียวบางทีฆ่าคนนะอย่างเจ้าแม่กาลีเนี่ยนะมันก็เป็นมีรัตทพิธีนะที่ไปจับหญิงพรหมจรรันทร์เด็กสาวพรหมจรันรยร์มาฆ่าสังเวยเพื่อตัวเองจะได้นะประสบความสุขความเจริญบางทีเราไปนับถือพระตัวเจ้าเนี่ย แบบนี้แหละนะอันนี้เรียกว่าเป็นการยึดเหนี่ยวพรลันตนตรัยให้ต่ําลงคนที่ฉลาดเนี่ยนะมีปัญญาก็ต้องยึดเหนี่ยวพรลัตนาใจเพื่อดึงให้ตัวเองสูงขึ้นก็คือว่าศีลสมาธินะปัญญาเจริญ ง, งอกงามกิเลสลดลงนะความมีแก่ตัวลดลงความยึดติดถือมันในตัวตนลดลงนะรวมทั้งความยึดติดในหน้าตาเนี่ยบางทีนักปฏิบัติทำจํานวนมากเนี่ยนะแม้ว่ากิเลสนะ กลสอาจะลดลงนะในเรื่องความโลภนะแต่เรื่องของหน้าตานี่มันมาแทนนะก็คือว่าต้องการนะสร้างภาพลักว่าฉันเป็นคนเคร่งนักปฏิบัติเวลาใครตำหนิเวลาถูกตำหนินะโดยพอตำหนิว่าเนี่ยไปปฏิบัติธรรมมาไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลยหรือว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมภาษาอะไรยังโกรธอยู่เนี่ยโอ้แค่นี้แล้วนะก็ควันขึ้นเลย อันนี้เพราะว่ายัางติดในหน้าตานะหรือว่าในอัตตานั่นเองเรื่องการศรัทธานับถือในพระตรัณฐตใจนี่ต้องต้องนับถือให้ถูกต้องนะหรือว่าเชื่อมั่นอย่างถูกต้องนะไม่ใช่ว่าเออศรัทธาในพระตรัณฐาใแล้วถือว่าประเสริฐเลิศแล้วหลายคนเนี่ยก็จะไปมองคนที่ไม่มีศาสนาหรือไม่ได้นับถือศาสนาพูดว่าเป็นพวกที่ใช้ไม่ได้ไม่ได้เรื่องนะคนอะไรไม่มีศาสนานะ แต่คนเรานั่นบางทีอาจจะเห็นแก่ตัวน้อยกว่าเราก็ได้็อาจะมีเมตตากรุณามากกว่าเราก็ได้นะข้าจะยึดติดในหน้าตาหรืออัตตาเนี่ยน้อยกว่าเราก็ได้คนที่มีาศาสนาหรือมีศรัทธาในพระตัณฑ์ใจก็ไม่ใช่ว่าจะดีไปเสียหมดนะเพราะว่าถ้านับถือไม่เป็นศรัทธาไม่เป็นเนี่ยมันก็ทำให้ตัวเองต่าลงแถมทาให้พระรันตรัยเนี่ย ต่ำลงไปหรือถูกคนเข้าใจผิดนะว่าเป็นเพียงแค่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คล้ายคล้ายเทวรูปนะที่จะโดนบันดาลตอบสนองความต้องการของใครก็ได้แม้จะเป็นการปลนเปลือกกิเหล็กก็ตามคนไทยหรือชาวผู้เราบางทีทำให้คนต่างชาติต่างาศาสนาเข้าใจพุทธศาสนาผิดก็เพราะว่าการศรัทธานับถืออย่างไม่ถูกต้องมันก็เลยนาไปสู่การปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง คนก็เลยมองว่าเนี่ยาศาสนาพุทธเป็นาศาสนางมงายนยสอนคนให้งอมืองอเท้านะ <_ d ata> เห็นแก่ตัวอันนี้จะไปว่าเขาทีเดียวก็ไม่ได้นะเพราะส่วนหนึ่งชาวพุทธเราก็ไปปฏิบัติหรือว่ากระทาอย่างนั้นจริงๆเม้แะถเราเอามีศรัทธาที่ถูกต้องนะมันก็ทำให้เกิดความสุขความเจริญทั้งส่วนตัวแล้วก็ถอยพุทธศาสนาเนี่ยนะอ่า คนเข้าใจถูกมากขึ้นหรือว่าทำให้พุทธศาสนาเนี่ยสามารถที่จะดึงดูดผู้คนที่เขาแสวงหาต้องการพัฒนาตนให้เข้ามาปเพื่อปฏิบัตินะแล้วก็พบประโยชน์สุขด้วยตัวเองอันนี้เนี่ยนอกจากศรัทธาในพระตรนัไตายแล้วเนี่ยบางทีเราก็มีศรัทธาในครูบาอาจารย์อันนี้ก็สำคัญนะศรัทธาในครูบาอาจารย์ก็ทำให้เราเชื่อฟังคำสอนของท่านเพราะเราเชื่อว่าอา่ท่านจะ สอนให้เราพ้นทุกข์หรือว่านําพาเราออกจากาความเพียงแก่ตัวได้ออกจากความยึดติดถือมัน่นแต่ก็ต้องระวังนะเพราะว่ า, อ, าอย่าเหมือนกันแหละเราศรัท ธ, ธาคูบาอาจารย์ไม่เป็นมันก็ทําให้เกิดปัญหาได้ศรัท ธ, ธาคูบาจําเป็นก็คือว่าเชื่อแต่พึทงเือนะไม่มีความไม่รู้จักใช้วิจารณญาณ น, นะครูบาอาจารย์ตัดว่าเนี่ยศรัท ธ, ธาที่ดีต้องมันต้องเป็นศรัท ธ, ธาญาณสัมปยุทธ์นะหมายถึงศรัท ธ, ธาที่ประกอบไปด้วยปัญญา คำว่าญาในที่นี้คือปัญญาสัจธรที่ประกอบด้วยปัญญาก็ทาให้เราไม่ไม่นับถืออะไรงม ง, ง, งายครูบาอาจารย์นะาานนะไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่หลวงตาที่เข า, าผู้คนนับถือกันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเสมอไปนะเพราะบางครั้งก็มีการสร้างกระแสก็เหมือนการปั่นพระเครื่องนะพระเครื่องพระ เป็นจัดภาคีพระขุนแผนวัดระคังองค์นั้นองค์นี้ก็มีการปั่นราคากันบางทีนะแม้แต่พระบางรูปเองก็พยายามนะสร้างภาพนะนะเช่นประกาศว่าเนี่ยเดี๋ยวเดือนหน้าวันนี้วันนี้นะจะไปเข้านิโรธสมาบัติเนะี่ยคนไทยชาวพุทธเราเนี่ยพอรู้ว่าองค์นั้นนี้ประกาศว่าจะไปเข้านิโรธสมาบัติก็เฮ้ยดีใจแตกตื่น เตรียมไปรอเลยนะว่าท่านออกออกจากนิโรธสมาบัติวันไหนถา้าวันนโรธสมาบัติคืออะไรบางที่ไม่รู้เรื่องนะไม่เข้าใจแล้วพอไม่เข้าใจนี่เราก็ทำให้ไปหลงเชื่อพระเหล่านั้นเพราะว่านิโรธสมาบัติเนี่ยนะมันเป็นสมาบัติที่เฉพาะพระอารหันต์หรือพระนาคามีเท่านั้นนะที่จะเข้าถึงได้และไม่ใช่พระอารหรันต์พระนาคามีทั่วๆไปนะต้องเป็นพระอารหันต์ที่สามารถบรรป็นสมาบัติ8ได้ มีพระอรหันต์พระอนาคามีที่ไม่ไ ม, มไม่ได้บำเพ็สมาบัติ8เลยก็มีนะคือว่าท่านบรรลุธรรมได้เพราะปัญญาล้วนๆที่เร็ยกวิปัสสุขขัยปัสสะโกให้เวลาพระรูปใดประกาศว่าวันนั้นวันนี้จะไปเข้านิโรสมาบัติเนี่ยก็แสดงว่ากําลังประกาศตัวเป็นพระอรหันต์หรือพระอนาคามีไม่ใช่พระอรหันต์พระอนาคามีธรรมดานนะั้ต้องระดับบำเพ็สมาบัติ8ได้ด้วย ซึ่งอย่างเนี้ยมันก็เข้าข่ายนะอวดอุตริมุสธรรมนะเพราะว่าพระอาหารหันต์พระนาคามีหรือแม้แต่พระโสดาบันเนี่ยเขาไม่อวดเขาไม่ประกาศหรอกจะประกาศแบบนี้เท่ากับคือประกาศประจานตัวเองว่ากําลังอวดอุตริมุสธรรมนะซึ่งมันเป็นอาบัตขันหนักเลยนะคือปาราชิกนะแต่ชาวพุทธไม่เข้าใจไงพอพระรูปไหนประกาศว่าเออ จะเข้าสม า, มาบัติวันนี้ออกจะเข้านิโรธสม า, มาบัติวันนี้ออกจากนิโรธสมาบัติมาบัติวันนั้นโอก็แตกตื่นไปรอเกิดศรัทธาแน่นแฟนหนักหนักขึ้น น, นเนี่ยเรียกว่าเป็นศรัทธาที่งมงายเพราะความไม่รู้นีถ้ารู้เนี่ยก็จะรู้เลยว่าเนี่ยผู้ที่ประกาศเช่ น, นั้นเนี่ยไม่น่าเชื่อถือนะเพราะว่ากําลังประจานตัวเองมันก็มีหลายแบบนะที่ทําให้ผู้คนเนี่ยเกิดความศรัทธาที่งมงายได้ แต่ว่าศรัทธาที่ผิดมันไม่ใช่แค่ศรัทธาที่งมงายอย่างที่พูดมาเท่านั้นนะนันจะมีกหลายแบบนะเช่นเป็นศรัทธาที่เจียวด้วยกิเลสนะเวลาเราศรัทธาครูบาอาจารย์เนี่ยมันไม่ใช่เพียงเพราะว่าเราเห็นว่าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเท่านั้นนะแต่บางทีเพราะว่าเห็นว่าท่านปฏิบัติถูกใจเรานะปฏิบัติถูกใจเราเนี่ยนะไอ้ข้อถูกใจเราเนี่ยคือเอาเราเป็นตัวตั้ง นะถ้าท่านปฏิบัติไม่ถูกใจเราเมาาื่อไหร่นี่จากศรัทธานี่มันก็กลายมันเปลี่ยนไปเลยนะกลายเป็นความโกรธความขุนเคืองก็มีเมื่อแต่ก็ตามที่พบว่าท่านทําบางอย่างที่ไม่ถูกใจเราไม่ถูกใจเราเช่นอะไรเช่นตำหนิเรานะทักท้วงเราเราอาจจะทาอะไรบางอย่างที่ไม่ถูกนะท่านก็ทักท้วงนะหรือว่า ตำหนิคนมางคนเนี่ย uh, แม้จะเข้าวัดนะแต่ว่าอัตตาสูงนะแม้จะศรัทธาหลวงพ่อองค์นั้นองค์นี้เนี่ยแต่ก็เป็นศรัทธาที่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ศรัทธาที่จะช่วยขัดเกลากิเลสนะแต่มันเป็นศรัทธาที่เอากิเลสหรือเอาอัตตาเป็นตัวตั้งเพราะฉะนั้นพอท่านพูดเนี่ยนะทั้งน้นที่ท่านปรารถนาดีนะท่านวิจารณ์ท่านตักเตือนนะบางคนโกรธนะพรารู้สึกเสียหน้า สุขเสียน้าโหยขั้นว่าเราต่อหน้าเลยนะโกรธเลยนะอาจจะถึงขั้นนะไม่ไปวัดนั้นอีกเลยหรือถึงขั้นไม่ไม่มาหาพระรูปนั้นอีกเลยบางทีจะไปต่อว่าด้วยซ้ำบางทีบางรูปนี่เพียงแค่ไม่ทักนะก็โกรธนะอาตมาเคยนะเคยเคยมีโยมนะผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่ในที่คือว่าอายุมาก มหาที่วัดนะก็ปกติก็คุ้ก็พูดคุยกันดีนะแต่มีวันหนึ่งท่านท่านมากับคณะคณะทอดกระถิน่นสมัยนั้นเนี่ยคณะกระถินก็คณะเล็กๆนะเล็กในที่ว่านี้คือว่ายี่สิบคนนะไม่ใช่เป็นร้อยเหมือนกับทุกวันนี้ท่านมานะมาที่สาราอาตมาก็ไม่เห็นมองไม่เห็นท่านเลยไม่ได้ทักถ้าคนอื่น นะถ้าคนอื่นหมดนะไม่ได้ทักท่านไม่รู้เลยว่าท่านโกรธนะถึงแม้ว่าจะเห็นท่านในวันหลังเนี่ยนะท่านโกรธมากนะแล้วก็เลิกมาว่าอีกเลยแล้วก็เวลาเจอใครนะที่รู้จักก็จะก็จะพูดนะต่อว่าด้วยความไม่พอใจว่าเนี่ยไม่ทราบไม่พอใจอะไรนะไม่ไม่ไม่ทราบพูดอะไรบ้างแต่แสดงความไม่พอใจเพียงพ่ออะไรเพียงพอ ไ ม, ไ, นะไม่ได้ทักนะทาื่อไม่ได้ทำนี่เพราะไม่ได้ไม่ได้มองข้ามหัวท่านเนนะมองไม่เห็นนะอันนี้ก็เป็นเป็นตัวอย่างของศรัทธาที่ศรัทธาที่ไม่ถูกต้องนะคือศรัทธาที่มันเจอด้วยกิเลสนะศรัทธาในตัวอัตมาแต่ที่จริงก็ไม่ใช่เป็นศรัทธาเพราะว่าอัตมาอนะ่มีอะไรดนะีแต่เป็นเพราะว่าอาจารย์ทำในสิ่งที่ถูกใจท่านนะและบางวันเนี่ยบางครั้งเนี่ย อาจจะไม่ได้ทำในสิ่งที่ถูกใจท่านหรือว่าทำตรงข้ามคือว่าทำแล้วเนี่ยนะท่านรู้สึกว่าเราไม่เห็นความสำคัญของท่านข้ามหัวท่านนะอันนี้ก็เลยโกโรธเลยนะนะก็เป็นอย่างนี้เยอะน ะ, ะหลายคนเนี่ยโวยกราบว่าครูบาอาจารย์นะพูดดีด้วยแต่พอท่านทวงท่า น, ท, านท่านวิจารณ์นะหรือว่าท่านสอนแรงๆโกโรธเลยนะ นะไม่ไม่มาหายต่อไปบางทีถึงกับมุ่งร้ายเลยนะในศาพุทธกาลนี่เคยมีนะมีคราวหนึ่งภาษาลิบุตรเนี่ยท่านจะออกไปจาริกในแดนไกลก็เป็นที่ทราบดีนะในหมู่พระสงฆ์ที่เชตวันเมื่อท่านจะเริ่มจาริกเนี่ยก็จะมีพระพิสูจน์เนี่ยเดินยืนเป็นแถวเพื่อ คือค่าเป็นการส่งท่านเพราะว่าท่านเป็นอัครเสนาบดีแล้วก็เป็นครูบาอาจารย์ที่คนที่พระทั้งหลายนับถือเมื่อมีผู้คนมารอรอส่งพระสารีบุตรก็เลยสนทนากับแต่ละท่านแต่ละท่านที่ยืนรออยู่นะถามชื่อถามโครอะไรเงี้ยบางเอิญข้ามไม่ได้ทักพระรูปหนึ่งกูพระรูปนี้ก็ศรัทธาในพระสารีบุตรมากเลยนะ แต่ว่าพอพระสรุเนี่ยไม่ได้ทักท่านเพราะมองไม่เห็นนะไปทักคนใกล้ๆท่านโกรธเลยนะโกรธมากนะจากศรัทธามากเป็นความผิดหวังอาจจะเป็นความขุนเคืองมากเพราะผิดหวังเนี่ยศรัทธาว่าโ อ, อ้ศรัทธาในที่นี้เป็นศรัทธาที่อยากจะให้ท่านทักทายเราเราจะได้รู้สึกเป็นคนสำคัญแต่พอท่านไม่ทักทายก็รู้สึกว่าเหมือนกับถูก รถทร อ, อัตตาท่านหาเรื่องเลยนะท่านโกรธพระไตรุระว่าหาเรื่องเลยไปทูลไปไปโจทฟ้องว่าพระไตรุะบุญเนี่ยนะแกล้งท่านนะแกล้งท่านก็คือว่าคือตอนที่ท่านเดินผ่านภาพรูปนั้นเนี่ยชายจีวรท่านก็ไปถูกไปถูกไปถูกตัวนิดหน่อยนะของภาพรูปนั้นเนี่ยนะท่านก็เอามาเป็นประเด็นโจทฟ้องพระไตรุะบุญว่าเนี่ยกันแกล้งท่านนะทำร้ายท่าน พระเจ้าเนี่ยทราบก็เลยเรียกพระไศรยฤๅบุตรเนี่ยนะไม่ต้องเดินทางแล้วเพราะว่าเกิดอธิกรณ์ขึ้นแล้วต้องมาแก้แก้ต่างนะพระไศยฤๅบุตก็อธิบายว่าเนี่ยตรงท่านเนี่ยนะจิตใจนี่ไม่ได้มีความคิดร้ายกับใครเลยนะจิตใจมั่นคงนะเหมือนดินเหมือนน้ำนะเหมือนลมเหมือนไฟไม่ว่าอะไรจะมาไม่ว่าอะไรจะเข้ามาสัมผัสก็ยังเป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟนะ ไม่มีจิตคิดร้ายต่อใครเลยสุดท้ายาพระรุ่นั้นก็ยอมรับนะว่ า, ากล่าวหาใส่ร้ายพระสรัลลบุตรนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะจากคนที่ศรัทธามากเลยนะศรัทธาพระสรุว่าอยากจะให้ท่านทักทายแม้แต่นิดหน่อยก็ยังดีนะถ้าทักทายนี้ฉันจะมีความสุขมากเลยแต่พอท่านมองไม่เห็นไม่ได้ทักทายนีนะ่จากความปลื้มพระสรัลลบุตรนะกลายเป็นความโกรธเลยนะ หาเรื่องใส่ร้ายท่านเนี่ยแบบนี้มีเยอะนะทั้งที่เวลาพูดคำว่าศรัทธาเนี่ยนะมันศรัทธ า, นะทธาคือการยอมนะการยอมยอมให้สั่งสอนยอมให้ว่ากล่าวเนี่ยอเ น, นียถ้าเป็นศรัทธาในครูบาอาจารย์ที่มันเป็นศรัทธาที่จะช่วยลดละอัตตามัมนจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าหลายคนศรัทธาเพราะว่าศรัทธาใครก็ตามก็เพราะามันสนองอัตตาตัวตน จะได้ไปอวดใครได้ว่าเนี่ยฉันเนี่ยเป็นสิทธิ์ภาษาลิบุตรนะนะคือใช้ภาษาลิบุตมาเ ป, เ, ปเป็นเป็นเป็นตัวเชิดชูอัตตาใบที่ไหนอ่ะจะบอกว่าภาษาลิบุตรทักทายฉันนะอ่าันเนียดูเหมือนว่าศรัทธานในภาษาลิบุตรนะแต่ที่จริงเนี่ยมันเป็นการยึดติดนอัตตามากกว่าเอาภาษาลิบุตมาเป็นสิ่งเชิดชูอัตตาหรือกิเลส ท, ที่ชั่วมานะ แต่คนสว่วนใหญ่ไม่ไม่รู้เท่าทันนะคิดว่าฉันศรัทธาครูบาจารย์ฉันศรัทธาครูบาจารย์แต่ที่จริงเนี่ยนะมันเป็นการศรัทธาตัวเองมากกว่าเพียงแต่เอาครูบาจารย์ไปเป็นเครื่องเชิดชูส่งเสริมอัตตาต้องระวัง น, นนะนักปฏิบัติเนี่ยมาวัดแล้วก็โอ้ยกราบว่าครูบาจารย์นะเหมือนกับว่าศรัทธาเต็มที่เนี่ยแต่ก็ไม่รู้ว่าศรัทธาแบบไหนศรัทธาท่านเพื่อที่จะ ดึงเราให้สูงขึ้นนะหรือว่าศรัทธาท่านเพื่อที่ได้เอามาใช้นะเอามาใช้ในการปลนเปลือัตาของเราจะได้ไปอวดได้ว่าเนี่ยนะฉันเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อองค์นั้นหลวงตาองค์นี้นะยิ่งท่านเป็นคนเด่นคนดังเป็นที่ยอมรับ ก, ก็ยิ่งนะอยากจะอวดว่าเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของท่านองค์นั้นองค์นี้แต่พอครูบาอาจารย์เนี่ยนะอาจจะ ทำผิดทำพลาดนิดหน่อยนะมองไม่เห็นไม่ได้ทักจากความหลงหลายได้เพิ่มกลายเป็นความคุ้นเคืองมุ่งร้ายนะแบบนี้ก็มีนะแล้วก็เยอะด้วยเราต้องระวังนะต้องตรวจสอบตัวว่าศรัทธาเราเป็นศรัธทธาแบบไหนศรันะธทธาที่สนองกิเลสอัตตาหรือศรัธทธาที่มุ่งจะลดละอัตตาตัวตนนะไม่งั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยนะมันอาจจะเป็นการหลอกตัวเองก็ได้นะว่าเราเป็นนะคนที่ มีศรัทธาในพระรัตนตรยัยมีศรัทธาในครูบาอจารย์แต่ที่แท้เนี่ยมันเป็นความหลงตัวเองมันบางทีมันก็แยกออกได้ยากนะหรือมองไม่ชัดนะเส้นแบ่งระหว่างศรัทธาครูบาจารย์กับการหลงตัวเองเนี่ยอย่างพระรูปที่ว่าเนี่ยนะถ้าไม่มีเรื่องนะไม่มีเหตุการณอ์อย่างในวันนั้นเนี่ยก็คงคิดว่าฉันเนี่ยฉันศรัทธาในพระสารีบุตรแต่พอเกิดเหตุการณ์วันนั้นนะพระสารีบุตรท่านไม่ได้ทัก ไอ้ความหลงตัวเองก็ทําให้เกิดความโกรธขึ้นมานะซึ่งถ้าเกิดว่าพระรุ่มีปัญญาหรือมีสตินะก็สามารถเจนนะโอ้โหที่แท้นี่เราไม่ได้ศรัทธาภาษาริบุตรเลยนะเนี่ยเราหลงตัวเองได้แท้ถ้าเห็นแบบนี้ยังถือว่ามีโอกาสที่จะเจริญนะมีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้ามีโอกาสที่จะเจริญงอกงามในทางธรรมได้เพราะว่ารูววา้ว่าผิดคนเราทั้วรู้ว่าผิดแล้วมันทําให้ถูกได้ บางคนนี่นะีดื้อด้านมากเลยนะอย่างในสพาตการเนี่ยพระชนะเนี่ยพระชันะ น, นี่ะนะชื่อนี่เราคงคุ้นเคยนะเพราะว่าก่อนบวชนี่ก็เป็นเป็นคนสนิทของเจ้าชาสิทธัตถะเลยนะแล้วก็วันที่เจ้าชาสิทธัตถะออกบวชที่เรามาพิเนสกรมเนี่ยชันนะกมารคันธกะันี่ก็เป็นสองชีวิตที่ได้เห็นท่านเป็นครั้งสุดท้ายนะก่อนที่ท่านนะจะเสด็จ นะออกจากพระราชวังไปหรือว่าหนอีออกไปปําเป็นปฏิบัติธรรมต่อหลังพระชนนักชนนักก็มาบวชนะบวชแล้วนี่ก็ก็เกิดความหลงตัวว่าเนี่ยฉันเป็นคนใกล้ชิดพระพุทธเจ้านะเวลาเวลาเวลาใครมาแนะนำสั่งสอนเนี่ยก็ไม่ชอบเพราะถือว่าเป็นคนเก่าคนแก่ของพระพุทธเจ้าเวลาคนไปกราบไหว้คารวพระสารีบุตร พโมคขาลานาพาะเป็นอ克拉เสนาบดีอคัมส า, าวกนะพระชนะก็อิจฉานะบอกว่าเนี่ยให้ตอนที่ตอนที่เราลำบากเนี่ยนะสองรูปนี้ไม่เห็นมาปรากฏเลยนะเพิ่งมาโผล่ระยะหลังนะผู้ว่าเป็นคนรุ่นหลังนะกลับได้ดีนะกลับได้ดีไอ้เรานี่กลับไม่มีคนสนใจนะ เพรนั้นพระสายเลบุตรพระโมคคัลลานะแนะนำยังไงก็ไม่เชื่อถือว่าเป็นเด็กรุ่นหลังนะอาจจะเรียกว่าเด็กเมื่อวันสืนก็ได้ฉันสิเป็นคนใกล้ชิดพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่กับพระพุทธเจ้ามาแต้งแตา ย, ยัางเด็กเลยนะร่วมทุกร่วมสู่พระพุทธเจ้ามาตลอดนะแกนี่มาทีหลังนะมีคนเดียวที่ดูเหมือนจะลงให้คือพระพุทธเจ้านะแต่ที่จริงก็ไม่ใช่ฉันน้าเนี่ยมาบวชเนี่ยเพราะอ้างว่าศรัทธาในพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้านี่สั่งยังไงนะไม่ทําตามนะเป็นคนที่ดื้อด้านมาก คนที่ใกล้ที่สุดเนี่ยบางทีกลายเป็นคนที่ดื้อด้านมากที่สุดเพราะถือว่าเป็นคนใกล้ชิดเนี่ยผู้จา่านิระอาเลยนะจนท่านผู้จา่าเนี่ยก่อนที่จะเสด็จปรินิพพานก็สั่งพระอานนท์ว่าเมื่อได้กระตานที่พระองค์ปรินิพพานให้ประชุมทรงแล้วก็ทําการาลงโทษนะตับการลงโทษพระช น, นะนะก็คือไม่พูดไม่คุยด้วยแล้กปรปภาชนิยกรรมเลยปรปภาชนิยกรรม เพราะว่าพงตักเตือนหลายครั้งแล้วไม่ฟังอันนี้ก็เป็นศรัทธาที่สนองกิเลสนะหรือว่าเป็นความหลงตัวมากกว่าใครแตกต้องใครวิจารณ์ใครแนะนำไม่ได้หรือแม้กระทั่งพุทธเจ้าทั้งที่ที่อ้างว่ามาบวชพ่อศรัทธาในพุทธเจ้าพอเจ้าปลิธานนี่พระพระอานนก็จัดการทำอย่างที่พุทธเจ้าสั่งเสียไว้ประชุมส่์แล้วก็ก็ทําการภาชิรกรรมเลยนะไปแจ้งข่าวให้ ให้พระชันนาา่าทาบพระชันนาา่าทราบนะถามว่ามันแปลว่าอะไรแปลว่าพระสงฆ์ทั้งหลายไม่คบค้านะไม่พูดไม่คุยนะไม่ร่วมอยู่ไม่ร่วมอาศาัยด้วยพชันน่ตกใจช็อกเป็นลมเลยเป็นลมเลยนะแต่หลังจากนั้นเนี่ยรู้ตัวนะกลับมาสำนึกผิดนะกลับใจมาทําความเพียรสุดท้ายได้เป็นพระอรหันต์นะคือจุดเปลี่ยนท่านคือท่านรู้ตัวนะแม้ว่าจะผิดมาเยอะนะแต่ว่า ท่านก็รู้ตัวในที่สุดว่าท่านผิดแล้วก็สามารถที่จะกลับตัวกลับใจทำความเพียรจนได้เป็นพระอรหันต์ท่านหนึ่งเนท่านพระอรหันต์ที่ท่านมาีความผิดพลาดมาก่อนหรือว่าทำผิดพลาดตามภาษาพุทุชนที่มีเยอะนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยท่านเห็นหนึงความผิดพลาดนั้นแล้วก็พยายามเอาชนะตัวเองจนทั้งสามารถที่จะหลุดพ้นนะจากความทุกข์ได้ อันนี้ก็ฝ่าวิจารณานะค่ำนี้นะกลับภาพาพร้อมกัน